บทที่6ธรรมที่ลึกซึ้งวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2549ในวันนี้ผู้คนต่างก็อวยพรกันและกันว่าสวัสดีปีใหม่แม้คนทั่วโลกจะพูดว่าสวัสดีปีใหม่แก่กันและกันอัตมากับเห็นว่า พวกเขาไม่ได้มีความสุขจริงท่านเห็นด้วยไหมเพราะเหตุใดคนส่วนใหญ่สแสวงหาความสุขในกามคุณเขาหาความสุขในโลกภายนอกแต่ความสุขที่แท้ไม่อาจพบได้ในโลกภายนอกความสุขที่แท้คือความสงบความสุขที่แท้คือสันติและปลอดภยัยความสุขที่แท้ จะพบได้ภายในตนเองเราจะมีความสุขที่แท้ได้โดยการเห็นแจ้งอริยสัจด้วยตนเองเราไม่อาจพบความสุขที่แท้ในโลกภายนอกในวันแรกของปีใหม่แต่ละปีคนทั่วโลกกระตอือรือร้นวางแผนต่างๆพวกเขาหวังว่าจะเติมความสุขให้ชีวิตสิ่งใดหนอที่เป็นธรรมชาติมากกว่า แย่หน่อยที่คนส่วนใหญ่คิดว่าความสุขจะได้มาจากกิจกรรมภายนอกการได้รับหรือจากความสัมพันธ์ภายนอกแต่ความจริงคือปวงแผนการและความอุตสาหะไม่อาจยังให้คนส่วนใหญ่ได้รู้จักความสุขที่แท้การหมกมุ่นแสวงหาความสุขจากการมคุณในโลกแห่งการ ทำให้เหนื่อยเปล่ามีแต่สร้างทุกข์ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่หรือกลางฤดูร้อนในที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่มีแต่ทำตัวเองให้หมดแรงเปล่าในการสแสวงหาความสุขภายนอกตามนิสัยเดิมเมื่อหมดแรงแล้วเขาก็ต้องพักผ่อนและทำตนให้สดชื่นใหม่แย่หน่อยที่ไม่ช้านะัก เขาก็จะกลับไปหาความสุขในโลกแห่งกามตามนิสัยเดิมๆที่เคยชินอีกคนเหล่านี้เป็นดุจเปรตที่หิวโหวยไม่เคยอิ่มไม่เคยพอทะยานอยากในสิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่ร่ำไปแต่มีบางท่านไม่ได้รุ่มหลงจมปักไปกับการแสวงหาการมมาสุขพวกเขาหยุดแสวงหาความสุข จากสิ่งภายนอกการเห็นท่านทั้งหลายณนะพระอาตอยะในวันปีใหม่นี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีการทราบว่าท่านกําลังแสวงหาความสุขที่แท้และทราบว่าความภาคเพียรและการปฏิบัติกรรมฐานของท่านนี้เกื้อกูลไม่เพียงแก่ตัวท่านแต่แก่สรรพสัตว์อีกเป็นอันมากด้วย ทำให้อัตมามีความสุขมากกับท่านดังนั้นแม้ประเพณีชาวเมียนมาจะไม่อวยพรกันว่าสวัสดีปีใหม่ในวันปีใหม่สากลก็ตามเพราะวันปีใหม่เมียนมาอยู่ในเดือนเมษายนใกล้เคียงกับของไทยอัตมาขออํานวยพรจากหัวใจแด่ทุกๆ ท, ท่านว่าสวัสดีปีใหม่ ในสุภาวารดิธีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2549นี้ท่านทั้งหลายเป็นนักสแสวงหาที่แท้ท่านทั้งปวงอยู่ที่พระเอาตอยะในการสแสวงหาความสุขที่แท้ขอแสดงความยินดียิ่งในวโรกาศวันขึ้นปีใหม่นี้เชิญเราเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคนในพระอ้าวตอยะนี้กับคนอื่นในโลกขณะที่คนในโลกกําลังหาความสุขในโลกแห่งกามคุณคนในพระอ้าวตอยะกับหาความสุขในโลกอันสงบโลกแห่งพระธรรมแสดงโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่คนในโลกกําลังหาความสุขจากโลกภายนอก เราทั้งปวงกําลังหาความสุขจากโลกภายในขณะที่คนในโลกกําลังฟังเพลงเรากําลังฟังพระธรรมเทศนาขณะที่คนในโลกกําลังดูโทรทัศน์ท่านกําลังดูอัตมาขณะที่คนในโลกกําลังเลิงร่าเต็มอารมณ์กับการร้องเพลงและเต้นรำ เรากำลังเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอย่างสงบชีวิตที่นี่ช่างแตกต่างจากภายนอกเพราะเหตุนี้อาตมาจึงแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่นี่ในวันพิเศษเช่นนี้อัตมาจะแสดงธรรมเรื่องธรรมที่ลึกซึง้งแต่ก่อนจะเริ่มบรรยายอัตมาขอถามคําถามบางข้อเพราะเหตุใด ปีใหม่2549จึงมาถึงคำตอบง่ายๆก็คือเพราะว่าปีเก่า2548สิ้นสุดลงนี่เป็นเรื่องของเหตุและผลหากว่าปี2548ไม่สิ้นสุดปี2549กก็เริ่มไม่ได้คำถามที่สองคือ เพราะเหตุใดเราจึงแก่ลงทุกวันคำตอบก็คือเพราะไม่มีทางหลุดรอดจากสภาวะอันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แห่งการเกิดขึ้นและดับไปอันทำหน้าที่ทั้งแบ่งแยกและแสดงลักษณะขั้นต่างๆที่แตกต่างกันของชีวิตเราดุจกลางวันแปลเป็นกลางคืนสัปดาห์แปลเป็นเดือนวัยเด็ก แปรเป็นผู้ใหญ่ในทำนองเดียวกันปีเก่าก็แผ้วทางแก่ปีใหม่การไหลลงและการไหลขึ้นเป็นนิดแห่งจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นการตกอยู่ใต้อานัตของกระบวนการที่ผันแปรไม่สิ้นสุดนี้เราจึงเติบโตเราจึงแก่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุและผลคำถามที่สมคือ เราได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยได้อย่างไรเราเข้าโรงเรียนปฐมศึกษาเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเราสอบผ่านจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่งและด้วยการทำดังนี้เราจึงมีทักษะที่จำเป็น ในการขึ้นชั้นใหม่ในระดับที่สูงขึ้นและสูงขึ้นจนกระทั่งเราได้รับปริญญาในที่สุดการได้รับปริญญาหรือเป็นบัณฑิตโดยหนทางอื่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ผลทุกอย่างมีเหตุแห่งตนนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งของเหตุและผลในทางปฏิบัติตอนนี้เชิญเราดูที่เหตุและผล ในแง่ที่สัมพันธ์กับพระธรรมหรือสัจจะในวันพิเศษนี้อัตมา จ, จะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมที่ลึกซึ้งพระธรรมที่ตัดสรรุโดยพระบรมศาสดาของเราพระศาสดาทรงใช้เวลากี่ปีเพื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีให้บริบูรณ์เราไม่อาจประมาณเป็นปีได้มีคำกล่าวว่า พระศาสดาทรงบำเพ็ญพระบารมีนานถึงสี่อสงไขยและหนึ่งแสนกัปจึงบริบูรณ์ช่างนานเหลือเกินแล้วการได้รับปริญญาใช้เวลานานขนาดนั้นไหมการได้รับปริญญายากมากไหมจริงๆแล้วไม่ยากนักเราสามารถได้รับปริญญาในชาตินี้ถ้าเราใช้เวลาและอุตสาหะเพียงพอ แต่ว่าพระธรรมอันพระศ า, าสดาของเราได้ตัดสรุนั้นลึกซึ้งมากและเป็นคนละเรื่องกับการศึกษาทางโลกด้วยประการทั้งปวงแม้แต่พระศาสดาก็ทรงใช้เวลานานหลายอสงไข่เพื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีให้บริบูรณ์และเพื่อตัดสรุ้แทงตลอดพระธรรมเป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องทราบความแตกต่าง ระหว่างการศึกษาทางโลกที่สอนโดยปุตุชนและพระธรรมที่ตัดสอนโดยพระพุทธเจ้าคนเป็นอันมากประมาณพวกเขายินดีใช้เวลาสิบห้าปีหรือเกินกว่านั้นในการเรียนเพื่อได้รับคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแต่พวกเขาไม่ต้องการใช้เวลานานในการปฏิบัติกรรมฐาน เวลามาปฏิบัติเขาต้องการสำเร็จภายในหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือสองเดือนนี่ถือว่าสมเหตุสมผลไหมไม่ใช่นี่ไม่สมเหตุสมผลถ้าเราต้องการได้ผลการปฏิบัติรมทันควันและหวังจะประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น เราจำต้องตรวจสอบแรงจูงใจของเราอย่างถีท้วนซึ่งอาจลงเอยด้วยการละอายตัวเองมากเพราะเหตุใดพระธรรมที่พระบรมศาสดาของเราตัดสรุ้แทงตลอดนั้นลึกซึ้งมากจึงยากยิ่งกว่ากันมากและไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกันกับการศึกษาในระบบทั้งโลกในโรงเรียน เราได้รับบทเรียนที่ค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นเราตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อที่จะผ่านไปได้ดังนั้นเราจรึงเลื่อนจากชั้นหนึ่งสู่ชั้นต่อไปได้จริงที่ว่าบทเรียนในโรงเรียนนั้นยากแต่ต้องถือว่าง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับพระธรรมตามที่อัตตมากล่าวแล้วว่าเราต้องทำความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ เพื <necessary. S 2> ่อท i mean ี่จะได้รับปริญญานี้หมายถึงต้องเรียนตามลําดับชั้นอย่างติดต่อกันไปทีละชั้นหากปราศจากบทเรียนระดับปฐมศึกษาก็ไม่ง่ายที่จะเรียนบทเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหากปราศจากบทเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ไม่ง่ายที่จะเรียนบทเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หากปราศจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องถามถึงดังนั้นแม้การศึกษาในระบบทางโลกจะไม่ยากเท่ากับพระธรรมเราก็ยังจำต้องสมัครตัวเองเข้าเรียนตามระบบเลื่อนจากชั้นหนึ่งสู่อีกชั้นหนึ่งทีละชั้นพระธรรมที่ตัดสรู้โดยพระบรมศาสดานั้นลึกซึ้งอย่างสูงสดุด จึงต้องการการปฏิบัติไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบเช่นกันนี่เป็นเพียงทางเดียวที่จะทำให้รู้แจ้งแทงตลอดพะธรรมการเข้าถึงอย่างเป็นระบบจึงเป็นหนทางที่แน่นอนสู่การตัดสรุ้เมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรุ้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติอย่างเป็นระบบทีละขั้นเช่นเดียวกัน หลังการตัดสรุตลอด45พันศาถัดมาพระศาสดาทรงเผยแผ่และตัดแสดงพระธมเทศนาโดยสม่ำเสมอในสถานที่ต่างๆเป็นอันมากพระศาสดาทรงแสดงในกูตสูตรว่าด้วยฐานะที่มีได้และมีไม่ได้ดังนี้ในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็พู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ตัดสรู้ทุกขอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วไม่ตัดสรู้ทุกขสมุทัยอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วไม่ตัดสรู้ทุกขนิโรธอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วไม่ตัดสรู้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้ว จากกระทาที่สุดแห่งทุกโดยชอบดังนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ได้กระทําเรือนชั้นล่างแล้วจากยกเรือนชั้นบนแห่งเรือนยอดดังนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ชั้นใดผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ตัดสรุ้ทุกขะอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงแล้วไม่ตัดสรุ้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปปทาตามความเป็นจริงแล้วจากกัตธรรมที่สุดแห่งทุกโดยชอบดังนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราได้ตัดสรู้ทุกขอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วได้ตัดสรู้ทุกขสมุทัยอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วได้ตัดสรู้ทุกขนิโรธอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วได้ตัดสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจากกระทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรากัดทําเรือนชั้นล่างแล้วจากยกเรือนชั้นบนแห่งเรือนยอดดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราได้ตัดสรู้ทุกขอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงแล้ว ได้ตัดสรุทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาตามความเป็นจริงแล้วจากกระทาที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์พึงกระทาความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยพึงจะทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะพึงจะทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราทั้งหลายทราบว่าเราต้องแทงตลอดอริยสัจสีได้แก่ทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหากเราไม่ได้ตัดสรุ้อริยสัจส์่ตามความเป็นจริงแล้วจากกระทาที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้หากเราปรารถนาจะ ก, กระทาที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเราต้องรู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจสี่ การจะรู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจสี่เราต้องเจริญกรรมฐานอย่างเป็นระบบภายใต้การชี้แนะของครูผู้ทรงพระคุณมิฉนั้นการแทงตลอดอริยสัจสี่มิใช่ฐานะที่จะมีได้ท่านอาจถามว่าครูผู้ทรงพระคุณคือใครพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นครูผู้ทรงพระคุณเราเป็นเพียงสาวก ข, ของพระบรมศาสดา เราสอนกรรมฐานตามพระสัจธรรมในขันธสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทุกขะอริยสัจเป็นฉไหนควรจะกล่าวได้ว่าอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นฉไหนได้แก่อุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญา อุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจกล่าวอีกนหนึ่งรูปปรมัตและนามปรมัตคือทุกขอริยสัจ ต, ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีเทวดาหรือพรหมมีแต่เพียงรูปนามปรมัตแต่เรากล่าวว่า ฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงหากไม่มีผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วเป็นฉะไหนถ้ากล่าวในระดับสมมุติสัจจะแล้วแน่นอนว่ามีผู้ชายและผู้หญิงแต่ที่ไม่เป็นจริงในระดับปรมาสัจจะในการอย่างรู้ความหมายของพระศาษษสดาและรู้ทั่วชัดพระสตทธรรมคำสอนเราต้องแทงตลอด ทุกขอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงกล่าวคือเราต้องรู้แจ้งและเห็นแจ้งอุปาทานขันห้านี้หมายถึงว่าเราต้องแทงตลอดรูปนามปารมัตต์แต่เราจะรู้แจ้งและเห็นแจ้งรูปนามปารมัตต์ได้โดยประการใดพระศาสดาตัดสอนให้เราจเจริญสมาธิไว้ในสมาธิสูตรดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกขาสมุทัยย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกขานิโรธย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ในการที่จะรู้ทุกขาอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจและทุกขนิโรธอริยสัจตามความเป็นจริงเราต้องเจริญอริยสัจข้อที่สคือมรคสัจจะได้แก่อริยอัตถังคีกมรคคือมรคมีองค์8สรุปลงในตรัยสิกขาคืออธิศีรสิกขาอธิจิตตะสิกขาและอธิปัญญสิกขา เรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสมาธิได้แก่สัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเราสมาทานศีล เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ทางกายและวาจาเราเจริญสมาธิเพื่อบรรลุจิตตวิสุทธิและเราอบรมปัญญาเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกในการเจริญสมาธิเราต้องปฏิบัติสมาถากรรมฐานท่านทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอารมณ์ของสมาถากรรมฐานกี่ประการในคำภีวิสุทธิมรก และอภิธรรมมัธสังหะระบุว่าสมัฏกรรมฐานมี40สประการในกรรมฐานส0สิบนี้มีกรรมฐานส0สิบนำมาซึ่งอั ป, ปนาฌานส่วนกรรมฐานสิบประการที่เหลือนำมาซึ่งอุปจาระฌานเท่านั้นดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าตัดสอนสมัฏกรรมฐานส0สประการ อ น, นำมาซึ่งสมาธิที่ต่างกันสองอย่างแต่เป็นสมาธิที่เนื่องกันได้แก่อัปนาฌานและอุปจาระฌานสัมาสมาธิเป็นหนึ่งในองค์มักปรากฏในอริยะอัฏฐังคิกรรมักของพระบรมศาสดาแต่ว่าสัมาสมาธิเป็นเชไหนคัมภีวิสุทธิมักอธิบายว่าสมาบัตแปด 8, พร้อมทั้งอุปจารสมาธิเรียกว่าจิตตะวิสุทธิสมาบัตร8ได้แก่รูปประชาน4สี่และอรูปปัจจัน4สี่เป็นอัปปนาสมาธิสัมมาสมาธิจึงสำคัญมากหากเราไม่เจริญสมาธิการรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงมิใช่ฐานนะที่จะมีได้เมื่อสมาทานอธิจิตตะสิกขา เราต้องเจริญสมาธิในอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอันนำมาซึ่งอุปจาระฌานหรืออั ป, ปนาฌานที่พระเอาตอยะเรามักสอนอนาปานาสติแก่ผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อสมาธิเจริญขึ้นเขาก็จะบรรลุอั ป, ปนาฌานอันลึกซึ้งและมีพลังอย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติใหม่บางท่าน ไม่อา จ, จเจริญสมาธิโดยอนาปานาสติดังนั้นเราจะสอนาธาตุกรรมฐานสีแทนโดยาธาตุกรรมฐานสี่นำมาซึ่งอุปจาระฌานเราต้องพยายามให้ดีที่สุดที่จ ะ, จะเจริญอุปจาระฌานหรืออั ป, ปนาฌานเพื่อที่จะแทงตลอดปรมัาทสัจจะหากปัสจากอุปจาระฌาน หรืออ ป, ปนาชาญเราจะไม่อาจเห็นรูปนามปรมัติกล่าวง่ายๆว่าเราจะไม่อาจแทงตลอดทุกขะอริยสัจเราจะไม่อาจรู้แจ้งเห็นแจ้งอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงในบรรดาผู้ฟังขณะนี้มีหลายท่านได้แทงตลอดทุกขะอริยสัจคือนามรูปปรมัติแล้วพวกเขาจึงเข้าใจความสำคัญ ของการเจริญสมาธิเพื่อที่จะรู้ปรมัาทสัตย์ตามความเป็นจริงผู้ปฏิบัติเหล่านั้นได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมีหลายท่านที่ยังไม่ได้แทงตลอดรูปนามปรมัตทแต่กระ น, นั้นพวกเขายังคงปฏิบัติต่ออย่างมีสํานึกเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นตามพระธรรมของพระศาสดาแล้ว ทั้งโลกนี้ประกอบขึ้นจากอนุภาคจิ๋วๆพระพุทธเจ้าตัดสอนธาตุกรรมฐานสี่หรือทาตุมณสิการเพื่อนำให้ผู้ปฏิบัติรู้และเห็นอนุภาคเหล่านี้ด้วยญาณธาตุสี่เป็นฉไนธ า, าตุสี่ได้แก่ปฐวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำ เตโชธาต์ไฟและวายโยธาต์ลมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั้งมวลประกอบขึ้นจากธาตุสี่เหล่านี้เมื่อผู้ปฏิบัติเห็นธาตุสี่ได้อย่างชัดเจนทั่วกายจากศีรษะถึงเท้าและจากเท้าถึงศีรษะซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็จะพบว่ากายปรากฏเป็นดังกลุ่มของธาตุสี่ เมื่อเห็นอย่างนี้อัตสัญญากำหนดหมายความเป็นตัวตนก็จะหายไปได้ชั่วคราวผู้ปฏิบัติจะไม่เห็นว่ากลายเป็นตัวตนอีกต่อไปแต่จะรับรู้โดยถูกต้องว่ากลายเป็นการประชุมกันของธาตุสี่และเมื่อสมาธิดีขึ้นก็จะเห็นว่ากายค่อยๆเริ่มเปล่งแสงสีเทา และแปลเป็นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนเห็นกายแปลเป็นมวลแสงถ้าผู้ปฏิบัติกําหนดดูธาตุสี่ต่อในมวลแสงนั้นในที่สุดมวลแสงนั้นจะแตกเป็นอนุภาคจิว๋วซึ่งเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วมากแม้การได้เห็นรูปกระลาบจะเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งแต่นี่เป็นการเห็นเพียงระดับ สมมุติสัจจะหน่วยเล็กที่สุดผู้ปฏิบัติท่านนั้นยังไม่ได้เห็นระดับรูปปรมัติในแต่ละรูปกระลาประกอบขึ้นด้วยรูปปรมัติอย่างน้อยที่สุด8อย่างรูปปรมัตแ8ดอย่างนี้ได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมและสีกลิ่น รถโอชาอาหาระลูกต่อเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดแยกรูปปรมัดที่ต่างกันแปดอย่างนี้ทีละหนึ่งอย่างจนครบในแต่ละรูปกระาบเขาจึงจักรู้และเห็นรูปปรมัดได้จริงเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถเห็นธาตุสี่ภายในกายจนสำเร็จการรู้และเห็นรูปปรมัดได้ด้วยญาณ ทุกทวารและทุกส่วนกายแล้วเราจะสอนให้เขาดูธาตุสี่ภายนอกเมื่อเขากําหนดดูธาตุสี่ในอาคารเขาก็เห็นแต่รูปกราบเมื่อเขากําหนดดูธาตุสี่ในต้นไม้หรือแม้แต่ในอากาศเขาก็เห็นแต่รูปกราบเช่นกันทุกสิ่งเป็นแต่เพียงธาตุสี่เหมือนกันถึงจุดนี้ ผู้ชายผู้หญิงต้นไม้และลูกบัญญัติทั้งมวลก็สิ้นความเป็นบัญญัติลงทุกสิ่งและทุกคนปรากฏให้เห็นเป็นเพียงการประชุมกันของรูปกระาบนี่คือการได้บรรลุยานที่แท้คือยานที่ทราบว่าโดยที่แท้ไม่มีผู้ชายหรือผู้หญิงมีแต่เพียงรูปปรามัิแต่เมื่อผู้ปฏิบัติลืมตาขึ้นใหม่ เขาเห็นอะไรเขาเห็นเป็นผู้ชายและผู้หญิงอีกและเขาก็เป็นทุกข์ที่เห็นดังนั้นนี้เป็นเพราะเหตุใดนี้เป็นทุกข์เนื่องจากกิเลสของเขาถ้าท่านไม่ต้องการเห็นเป็นผู้ชายและผู้หญิงก็ไม่ต้องลืมตาขึ้นท่านต้องหลับตาตลอดเวลามิฉนั้นความกำนัดยินดีตันหา และอุปาทานจะเกิดขึ้นและท่านจะก่อกรรมใหม่การปฏิบัติในขั้นต่อไปคือการแยกนามธรรมต่างๆออกจนถึงระดับที่เป็นนามปรมัติ์เมื่อผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในนามกรรมฐานเขาจะรู้และเห็นด้วยยากวิถีจิตอันมีจิตขณะที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับ กอบด้วยจิตและเจตสิกที่สัมปยุตกับแต่ละจิตขณะผู้ปฏิบัติก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงดังที่พระศา ส, าสดาทรงพรรณนาไว้เขาได้เห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงไม่มีอยู่จริงมีแต่รูปนามปรมัตที่มีอยู่จริงณจุดนั้นเขาย่อมแทงตลอดทุกขอาิยสัต์ เมื่อผู้ปฏิบัติได้รู้แจ้งและเห็นแจ้งรูปนามปรมัติ์แล้วเขาก็จะปฏิบัติปฏิจะสมุปบาทคือการที่ทุกข์เกิดขึ้นและดับไปเพราะอาศัยปัจจัยอันต่อเนื่องกันมาเพื่อที่จะเห็นด้วยญาณถึงเหตุและผลแห่งธรรมต่างๆเมื่อเขาได้เห็นเหตุและผลบริบูรณ์แล้ว เขาย่อมแทงตลอดทุกขะสมุทัยอริยสัจผู้ปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติปฏิจจะสมุบาทและได้เห็นเหตุและผลด้วยญาณแล้วจึงจะ ก, ก้าวสู่การเจริญวิปัสนาถึงตอนนี้เขาสามารถเห็นและพิจารณาพระไตรลักษณ์พระบาลีเรียกว่าธรรมนิยามสามของรูปนามปารมัติต์ พร้อมทั้งเหตุปัจจัยได้แก่อันนิจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์หรือความเป็นของคนทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนและเมื่อวิปัสนาญาณถึงความแก่ก้ามัขยานก็จะเกิดขึ้นเขาจะเห็นพระนิพานณจุดนั้นรูปและนามดับ และเขาได้แทงตลอดทุกขะนิโรธอริยสัตว์เมื่อมรรคขยานเกิดขึ้นจะละสังโย์ได้ขาดตามลำดับได้แก่เมื่อสังโยชสา3คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีรพัตตาปามาต ส, สิ้นไปด้วยอำนาจการบรรลุพระโสดาปติมะคท่านนั้นจะตั้งอยู่ในพระโสดาปติผลที่เป็นผล อันพระโสดาบันเพึิ่งเสวยโดยเกิดเองเมื่อกิเลสสิ้นไปด้วยอำนาจมรคนั้นๆเนื่องจากท่านนั้นได้เจริญในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยอัตถังขิกมาหรือพระไตศสิกขาจนถึงความบริบูรณ์ท่านจึงได้รู้แจ้งและเห็นแจ้งแทงตลอดในทุกขอริยสัจ ทุกขะสมุทัยอริยสัจและทุกขะนิโรธอริยสัจเมื่อเราสมาทานสีรสิขาเปรียบเสมือนการเข้าโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อเราเจริญสมาธิศิขาเปรียบเสมือนการเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโปรดระลึกว่าเราต้องผ่านโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนจึงจะก้าวไปโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยการเจริญวิปั ส, สนาปัญญาสิกขาเปรียบเสมือนการเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยการเพียรอย่างต่อเนื่องจนได้บรรลุพันนิพานเปรียบเสมือนการเรียนจนสำเร็จได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยยาน16หหรือโสรสะยาน หมายถึงยานที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสนาตามลำดับตั้งแต่ต้นจนบรรลุพานิพานโะสรสยานมีดังนี้ 1. นามรูปปริเฉทยานยานกำหนดจำแนกรู้นามและรูป 2. ปัจจยะปริคหายานยานกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป 3. สมะสนญญาญย า, ยานกําหนดรู้ด้วยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ์ 4. อุทย พ, พยานุปัสนาญาญยานอันตามเห็นความเกิดและความดับ 5. พังคานุปัสนาญาญยานอันตามเห็นความสลาย6พยาตูปัฏฐานญาญ ย, ยานอันเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว7 อาทีนวานุปัสนาญาณญาณอันคำหนึงเห็นโทษ 8. นิพพานุปัสนาญาณญาณอันคำหนึงเห็นด้วยความหน่าย 9. มุลจิตุก ร, รมยตายญาณญาณอันคำหนึงด้วยใครจะพ้นไปเสีย 10. ปฏิสังขานุปัสนาญาณญาณอันคำหนึงพิจารณาหาทาง 11. สังขารุปเปกขายานยานอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร 12. สัจจานุโรมิกายานหรืออนุโรมยานยานอันเป็นไปโดยอนุโรมแก่การอย่างรู้อริยสัจสิบสโคตรภูยานยานครอบโคตร 14. มัคคยาน ญาณในอริยมรรค15ผลระยานญาณในอริยผล 16. ปัจจเวกขณะญาณญาณอย่างรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนวิปัสนาญาณแรกนามรูปปริเฉทญาณเป็นการรู้แจ้งและเห็นแจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกขะ อ, อริยสัจ วิปัสนาญาณที่สองปัจจยะปริคหาญาณเป็นการรู้แจ้งและเห็นแจ้งอริยสัจข้อที่สองคือทุกขะสมุทัยอริยสัจ ต, ต่อเมื่อได้แทงตลอดวิปัสนาญาณที่หนึ่งแล้วเราจึงสามารถก้าวต่อไปยังวิปัสนาญาณที่สองอย่างไรก็ตามถ้าเรายังไม่แทงตลอดทุกขะอริยสัจ การที่จะแทงตลอดทุกขะสมุทัยอริยสัจอันลึกซึ้งมากมิใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเหตุนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตัดสรุ้ทรงปริวิตกคำหนึ่งในพระหฤทัยว่าทาที่เราตัดสรุ้แล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีดคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็หมู่สัตว์นี้แลอย่างยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรก็ฐานะนี้คือความเป็นปัจจัยแห่งธรรมมีสังขารเป็นต้นนี้เป็นธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันหมูสัตว์ผู้ยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในอะไร เบิกบานแล้วในอะไรจะพึงเห็นได้ยากแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สระคืนอุปธิทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นตันหาธรรมเป็นที่สำรอ่อกธรรมเป็นที่ดับนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมแต่ชวนเหล่าอื่น จะไม่พึงรู้ทั่วถึงทำของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความลำบากของเราท่านจำข้อความข้อนี้ได้ไหมครั้งนั้นความปริวิตกกิดคำหนึงนี้บังเกิดขึ้นในพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าที่รับทรงพักผ่อนอยู่ในสมัยแรกตัสรู้ ประทับอยู่ที่ต้นอชะปาระนิโคธแถบฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตอุรุเวลาประเทศท่านอาจจะจำได้แล้วในการอันสั้นจากนั้นคาถาอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคไม่เคยได้ทรงสดับมาแต่ก่อนเกิดแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้ เราไม่ควรจะประกาศธรรมที่เราตัดสู้แล้วโดยยากธรรมนี้เหล่าสัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำแล้วจะตัดสู้ไม่ได้ง่ายเหล่าสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกกองแห่งความมืดคุ้มห่อแล้วจะไม่เห็นธรรมอันทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนู เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระหาฤยไทยก็ทรงน้อมไปเพื่อความขนไหวยน้อยไม่ทรงน้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมครั้งนั้นสหามบดีพรมทราบความปริวิตกแห่งพระหาฤยไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วได้มีความดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะชิบหายหนอ ท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระหะฤทัยไปเพื่อความขนขววยน้อยไม่ทรงน้อมพระหะฤทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหามบดีพรมอันตรธานไปในพมรโรคมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาค เหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คู้อยู่หรือพึงคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดอยู่ฉะนั้นคันแล้วสหามบดีพรมจะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วคุกชานุมนฑนเบื้องขวาลงที่แผ่นดินปนมอัญชรีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กลาทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิดขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจทุรีในดวงตาน้อยเป็นปกติก็มีอยู่เพราะมิได้สดับย่อมเสื่อมจากธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจากมีสหามบดีพรม ได้กลาบทูนดังนี้แล้วคันแล้วได้กลาบทูนเป็นนิคมคาถาอีกว่าแต่ก่อนในแคว้นมคตได้ปรากฏมีธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งชนพวกที่มีความเศร้าหมองคิดไว้ขอพระองค์จงทรงเปิดประตูอมรุตธรรมขอสัตว์ทั้งหลายจงได้สะดับธรรมที่พระองค์ผู้ทรงหมดมนทินได้ตัดสรู้ ชนผู้อยู่บนยอดเขาศิลาพึงเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปีชามีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระองค์ผู้หมดโศจงเสด็จขึ้นปราสาทคือพระปัญญาที่สำเร็จด้วยธรรมซึ่งเปรียบด้วยยอดเขาศิลาแล้วจึงทรงตรวจดูประชุมชนผู้ระทมด้วยความโศ ถูกชาติชาราครอบงำฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงความเพียรทรงชนะทรงครามผู้นำหมูสัตว์ผู้หากิเลตไม่ได้ขอพระองค์จงเสด็จเที่ยวไปโปรดสัตว์โรคขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสแสดงธรรมผู้รู้ตามจักมีอยู่เมื่อสหามบริพรมกาบทุนเช่นนี้ พระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดกะสหบดีพรมว่าดูก่อนพรมแม้เราก็ได้ดำริแล้วเช่นนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงแสดงธรรมดูก่อนพรมแต่เหล่านั้นได้คิดเห็นดังนี้ว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ ปราณีตจะคาดแเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตส่วนหมู่สัตว์นี้มีอะไรคือตันหาเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรก็อันหมู่สัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไร ยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะนี้คือปัจจัยแห่งสภาวธรรมอันเป็นที่อาศัยกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุบาทยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะแม้นี้คือพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สระตอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคลายความกำหนัดดับทุกข์ ก็และเราพึงแสดงธรรมแต่สัตว์เราอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเรานั้นพึงเป็นความลำบากแก่เรานั้นพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เรา